วันนี้พวกเราก็มาร่วมกันทำความเพียรกันอีกครั้งหนึ่งเพียรศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเสีเพียรปฏิบัติเมื่อเราได้ศึกษาเราได้ปฏิบัติผลก็จะปรากฏตามมา คือมรรคผลนิพพานการหลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับต่างๆตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงระดับที่สูงสุดเกิดจากการทำความเพียรถ้าไม่มีการทำความเพียรผลก็จะไม่มีปรากฏขึ้นมาเราจึงต้องเพียรศึกษา เพราะถ้าเราไม่ได้ศึกษาแล้วเราไปปฏิบัติเราก็จะปฏิบัติไม่ถูกต้องเมื่อปฏิบัติไม่ถูกต้องผลที่ควรจะปรากฏก็จะไม่ไม่ปรากฏขึ้นมาผลที่ไม่ควรปรากฏก็จะปรากฏขึ้นมานี่คือ เรื่องของความเพียรที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของการที่จะทำให้เราได้บรรลุถึงจุดหมายที่เราต้องการกันคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียร ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จจะอยู่ที่นั่นถ้าไม่มีความพยายามไม่มีความเพียรก็จะไม่มีความสําเร็จจะไม่มีการหลุดพ้นจากความทุกข์ความเพียร น, นี้เป็นธรรมที่สําคัญมากจะทรงแสดงไว้ใน สถานในกลุ่มต่างๆของธรรมเช่นในกลุ่มของมรรคแปดก็มีสัมมาวายามโมแปบลบว่าความเพียรชอบเพียรสร้างบุญสร้างกุศลเพียรรักษาบุญรักษากุศลที่เราได้สร้างไว้แล้วให้คงไว้เพียรสร้างบุญสร้างกุศล ที่เรายัางไม่มีให้ปรากฏขึ้นมาแล้วก็ให้เพียนละบาปที่เรายังทำกันอยู่และให้เพียรรักษาป้องกันไม่ให้บาปที่เราได้ละแล้วไม่ให้กลับไปทำใหม่อีกอันนี้ก็เรื่องของความเพียรอยู่ในมัพที่มีองค์แปดมัชิมาปฏิปทา แล้วก็ยังทรงแสดงไว้ในบารมีสิบบารมีสิบนี้ก็ทรงแสดงวิริยะบารมีผู้ที่จะสร้างบารมีต่างๆได้ก็ต้องมีวิริยะบารมีคือมีความขยันหมั่นเพียรที่จะสร้างบารมีต่างๆเช่นสร้างเมตตาบารมีทานบารมี ศีลบารมีเนคัมบารมีอุเบกขาบารมีและปัญญาบารมีบาลบิบาลามีที่จำเป็นต่อการดุดพน้นต่อการบรรลุธรรมต้องมีวิริยบารมีเป็นผู้สร้างขึ้นมานี่ก็ส่งแสดงไว้ในบารมีสิบประการ น้าก็ยังทรงดแสดงไว้ในอิทธิบาทสี่อิทธิบาทสี่ก็คือทางสู่ความสำเร็จทางสู่ความยิ่งใหญ่อิทธิแปลว่ายิ่งใหญ่บาทแปลว่าทางเดินทางเดินสู่ความยิ่งใหญ่คือสู่ความสำเร็จเช่นสู่มรรคผลนิพพานก็ต้องมีอิทธิบาทสี่ คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาก็มีวิริยะคือความเพียรอยู่ในธรรมนี้เช่นเดียวกันถ้าต้องการทำอะไรให้สำเร็จจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมก็ตามถ้าไม่มีความขยันมีแต่ความเกียจคร้านผลจะไม่เกิดขึ้นมา แต่ถ้ามีความขยันไม่ว่าจะทำอะไรทางโลกหรือทางธรรมก็จะได้ผลเช่นถ้าอยากจะเรียนหนังสือให้ได้ปริญญาก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรที่จะศึกษาที่จะร่มเรียนถ้าอยากจะมีความสำเร็จในทางธุรกิจในทาง อาชีพก็ต้องมีความขยันในการทำมาหากินทำธุรกิจถ้าไม่ทำหรือทำไม่มากความสำเร็จก็จะไม่เกิดขึ้นมาอันนี้ก็เป็นความสำคัญของความเพียรคืวิริยะแล้วก็ยังส่งแสดงไว้ใน NC หา้นนพหาพาราห้า NC ห้าพารห้าก็คือ ทาที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาจากอินทรีย์ให้เป็นพรพกเราทุกคนนี้มีอินทรีย์ห้ากันคือเรามีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาแต่มีอยู่ในระดับของปุถุชน คือระดับที่จะประครับประคองให้เราอยู่อย่างเป็นมนุษย์ได้เป็นปกติถ้าเรามีอินทรีย์ต่ำกว่านี้เช่นมีสติด้อยลงไปเราก็จะไม่สามารถอยู่เป็นมนุษย์ปกติได้เช่นคนเสียสติคนเสียสติก็คือคนบ้า เพราะเอ็นซีต่ำมากเอ็นซีคือสติต่ำมากเมื่อมีเอ็นซีสติต่ำวิริยะความเพียรก็ต่ำไม่สามารถเพียเรเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงตัวเองได้คนที่เสียสตินี้จึงต้องอาศัยคนอื่นคอยเลี้ยงดูแต่คนที่มีสติปกติอย่างพวกเรานี้ถือว่าเรามีสติพอ ประคับประคองสถานภาพของความเป็นมนุษย์ของเราไว้ได้สามารถดูแลตัวของเราเองได้มีความเพียรพอที่จะทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้แต่ยังไม่มีความเพียรพอที่จะทำให้เป็นพระอริยบุคคลได้ทำให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ต่างๆได้ต้องพัฒนา วิทยะที่เป็นอินทรีย์ให้มาเป็นพละเป็นพลังขึ้นมาก็ต้องมีการศึกษาวะธรทำคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นตอนนี้เราอาจจะปฏิบัติได้ในระดับของนักบุญก็คือเรารักษาศีลห้าได้ เราทำบุญทำทานกันได้อย่างนี้ก็เรียกว่ามีมีอินทรีย์ในระดับของนักบุญแต่ยังไม่พอที่จะทำให้เป็นพระอริยบุคคลถ้าอยากจะเป็นพระอริยบุคคลนี้ต้องปรับอินทรีย์ให้ขึ้นเป็นพระคือให้อยู่ในระดับของพระอริยบุคคล พระอริยบุคคลนี้ท่านจะมีศรัทธาที่แก่กล้ามีวิริยะความเพียรที่แก่กล้ามีสติสมาธิปัญญาที่แก่กล้าท่านจะอยู่ในระดับของนักบวชคือสามารถรักษาศีลแปดรักษาศีลสิบหรือรักษาศีลสองรอยยี่สิบเจ็ดได้สามารถใช้เวลา ทั้งหมดให้กับการศึกษาพระธรรมคําสอนให้กับการปฏิบัติคือก็ให้กับการเจริญสติสมาธิและปัญญาได้ตลอดเวลาไม่ไปเสียเวลากับการไปทําภารกิจการงานต่างๆอย่างอื่นจะทุ่มเทเ ว, เวลาให้กับ ก, บการศึกษาพระธรรมคําสอน แล้วก็ปฏิบัติพระธรรมคำสอนอย่างเข้มงวดกวดขันตลอดเวลาที่ตื่นจะไม่ทำภารกิจอย่างอื่นนอกจากภารกิจที่จำเป็นเช่นการเลี้ยงดูร่างกายการดูแลความสะอาดของที่อยู่อาศัยและของร่างกายเป็นต้นเท่านั้นแต่ก็จะทำด้วยสติที่เข้มข้น คือจิตใจนี้จะจดจอ่ออยู่กับการกระทำท ใ, นททในทุกิริยาบทในทุกกิจกรรมในทุกเวลา<ม>อย่างนี้เรียกว่ามีความเพียรระดับพละกาลังพลังเนี่ยพละแปลว่ากำลังหรือพลัง<ม>ถ้ามีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิปัญญาในระดับของ พละห้าก็จะสามารถที่จะคว้าเอามรรคผลนิพานขั้นต่างๆมาเป็นสมบัติได้นี่คือเรื่องของความเพียรที่พวกเราจําเป็นจะต้องสร้างกันขึ้นมาการสร้างความเพียร น, นี้ก็สร้างด้วยการศึกษาการศึกษานี้เราก็จะเรียกว่าเป็นการ จเจเลนพุทธัทงธรรมังสังฆังสระนังกระฉามิเพราะว่าความรู้ที่จะนําไปปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ไม่มีใครรู้ได้นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นตัวเราเองก็ไม่รู้ทางที่จะพาเราไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเราก็จะไม่มีใครสั่งใครสอนการศึกษานี้จึงเป็นการเจริญพุทธทางธรรมังสังคังสระังกระฉามิถ้าเราได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงเช่นในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมให้แก่ผู้ที่สนใจ การศึกษาการฟังทันโดยตรงจากพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าเป็นการมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพุทธังสรารนังกะชามิถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าแต่มีหนังสือเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้จดบันทึกเอาไว้เช่นในพระไตรปิฎกถ้าเราศึกษาจากพระไตรปิฎกศึกษาจากหนังสือต่าง ที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะมีธรรมังสระนังกัจฉามิเราก็จะมีพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราถ้าเราได้ศึกษากับพระอริยะบุคคลเราก็จะได้มีสังขังสระนังกัจามิมีพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณนะ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ท่านเป็นที่พึ่งในฐานะเป็นครูอาจารย์ของพวกเราการที่เราถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งหมายความว่าเราจะไม่ศึกษาจากใครเพราะคนอื่นนี้ไม่รู้ทางที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้น ที่จะสอนให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงหลุดพ้นแล้วพระอริยสงสาวกก็ได้หลุดพ้นแล้วท่านรู้จากวิธีที่จะทำให้ท่านหลุดพ้นแล้วท่านก็นำเอามาสั่งสอนพวกเรา พวกเราถ้าต้องการจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องมีพระพุทธหรือพระธรรมหรือพระอริยสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์เท่านั้นถ้าเราไปศึกษาจากครูบาอาจารย์แหล่งอื่นเราจะไม่มีวันหลุดพ้นได้เช่นพวกเราที่ศึกษาตามโรงเรียนต่างๆ ตามสถาบันการศึกษาต่างๆระดับประถมระดับมัธยมระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีโทเอก <Yeah. S 1> ความรู้ต่างๆเหล่านี้ที่เราได้ศึกษานี้ไม่สามารถนําพาเราไปสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้ <Yeah. S 1> เรียนเท่าไหร่ก็ไม่มีวันที่จะทําให้เราหลุดพ้นได้ อาจจะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทางร่างกายได้คือบรรเทาได้เช่นทำให้เรามีความสามารถหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกายของเราได้เรียนจบปริญญาก็ไปทำงานได้เงินเดือนดีดีกว่าคนที่ไม่ได้เรียนจบปริญญาได้เงินเดือนน้อยกว่า คนได้เงินเดือนมากกว่าก็สามารถซื้อสิ่งที่จำเป็นต่อการครองชีพได้มากกว่านั่นเองก็ทำให้มีความสุขทางร่างกายดับบรรเทาความทุกข์ทางร่างกายได้ในระดับหนึ่งแต่ก็มีความทุกข์ในอีกระดับหนึ่งของร่างกายที่ไม่มีอะไรจะบรรเทาหรือจะดับได้นอกจากครรสอนของพระพุทธเจ้า ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าเวลาที่ร่างกายแก่เวลาที่ร่างกายเจ็บเวลาที่ร่างกายตายปัจจัยสี่ที่เราหามาได้นี้ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ใจได้ต่อให้มีเงินมากน้อยเพียงไรก็ตามก็จะไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ใจที่เกิดจากความแก่จากความเจ็บจากความตายได้ แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้สามารถดับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บและความตายได้นี่ละทำไมเราจึงต้องยึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรระเป็นที่พึ่งเพราะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงเป็นที่พึ่งที่จะป้องกันให้เราไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในโลกนี้เกิดขึ้นกับใครก็ตามเกิดขึ้นกับร่างกายของเรามันจะไม่กระทบกระเทือนใจเราเลยใจของเรานี้สามารถแยกออกจากเหตุการณ์ต่างๆแยกออกจากร่างกายของเรานี้ได้ทําให้เรานี้ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆเลยนี่คือ เรื่องของการสร้างสารณะสร้างที่พึ่งทางใจเราต้องยึดพระพุทธพระธรรมเป็นที่พึ่งเราต้องมีความเพียรพยายามที่จะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเราจะต้องบาเพ็ญเราจะต้องปฏิบัติอะไรกันเราจะต้องดำเนินชีวิตของเราไปในทิศทางไหนกัน ตอนนี้พวกเรากำลังดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่จะพาให้เราไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดเหมือนขับรถไปที่วงเวียนแล้วก็วนอยู่ที่วงเวียนนั้นเพราะไม่รู้ว่ามีทางอื่นไปเกียวว่าทางที่อยู่ในวงเวียนนี้เป็นทางเดียวก็เลยขับวนอยู่อย่างนั้นขับเริ่มที่ที่เกิดแล้วก็ไปที่แก่ แล้วก็ไปที่เจ็บแล้วก็ไปที่ตายพอตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่นี่คือทางเดินของชีวิตของพวกเราในขณะนี้เราเดินอยู่ในวงกลมของการเกิดแก่เจ็บตายนี้เองโดยที่เราไม่รู้ตัวเราคิดว่าเรากำลังดับความทุกข์กันเรากำลังสร้างความสุขกัน แต่ความจริงเรากําลังสร้างความทุกข์กันดับความสุขกันด้วยการเดินหลงทางกันถ้าเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นผู้บอกทางเราเราก็จะเดินอยู่ในทางนี้ทางที่เรากําลังเดินอยู่ทางนี้เรียกว่าอะไรก็ทางแห่งราบยศสรรเสริญทางแห่งความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้เอง ที่พวกเรากาลังแสวงหากันอยู่ทุกเวลาเวลาหาอยู่กับลาบหาอยู่กับยศหาอยู่กับสรรเสริญหาอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะชนิดต่างๆหาแล้วก็ต้องหาอยู่เรื่อยเพราะหามาได้แล้วเดี๋ยวมันก็หมดหมดแล้วก็ต้องหาใหม่เวลาไม่มีก็วุ่นวายเดือดร้อนอยู่เฉยๆไม่ได้ ก็ต้องไปหาเวลาตายไปก็ต้องกลับมาเกิดเพื่อมาหาใหม่หาอย่างนี้ไปเรื่อยๆหาอย่างนี้มานันมนานแล้วแล้วจะหาอย่างนี้ไปอีกต่อไปถ้าเราไม่ได้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้บอกทางให้แก่พวกเราดังั้นเราต้องมีความเพียรพยายามที่จะเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันะ อย่างวันนี้พวกเรามีความเพียรกันมีความพยายามอุตสาห์เดินทางมาจากบ้านจากสารทิตต่างๆมีทั้งใกล้มีทั้งไกลมีอยู่ในจังหวัดนี้ก็มีในอำเภอนี้ก็มีนอกอำเภอนี้ก็มีนอกจังหวัดนี้ก็มีและเดี๋ยวนี้มีทั้งนอกประเทศนี้ก็มีตอนนี้ก็มีการถ่ายทอดสดผ่านทางสื่อทาง อินเทอร์เน็ตผ่านทางเฟ b o o k กตอนนี้ก็มีผู้ติดตามอยู่ต่างประเทศกันเป็นจำนวนมากพอสมควรมีเกือบมีหลากหลายประเทศด้วยกันนี่คือความเพียรพยายามที่เราต้องมีกันในเบื้องต้นต้องเพียรพยายามเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อที่เราจะได้มีคนบอกทางเรา มีคนสอนวิธีการดำเนินวิธีการปฏิบัติให้แก่เราถ้าเราไม่มีพระพุทธหรือพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์เราก็จะไม่รู้ทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเราก็จะไม่รู้ทางสู่การบรรุมรรคผลนิพพานดังนั้นในเบื้องต้นเราต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะ เมื่อเราได้เรียนรู้แล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องมีอัตตาหิอัตโนนาโถเป็นที่พึ่งในลำดับต่อไปเพราะไม่มีใครที่จะปฏิบัติทำให้กับเราได้ไม่มีใครที่จะดำเนินชีวิตของเราให้ไปในทางที่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้ชี้บอกพวกเราให้ไปกันเราต้อง ทำความเพียรกันเราต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นที่ทรงสอนให้พวกเราเพียรมีความมักน้อยสันโดษเพียรปรีกวิเวกอยู่ตามลำพังเพียรรักษาศีลเพียรนั่งสมาธิเพียรเจริญปัญญาอันนี้ ใครจะทําให้เราได้ไม่มีใครทําแทนเราได้เรื่องของการปฏิบัตินี่ต้องเป็นเรื่องของอัตตาหิอัตโนนาโถเรื่องของตนเป็นที่พึ่งของตนเอย่างนั้นเวลาที่เรามีความเกียดคร้านมีความท้อแท้ต่อการปฏิบัติเราก็ต้องถามตัวเราเองว่าแล้วใครจะมาปฏิบัติให้เราพ่อแม่ก็ปฏิบัติให้เราไม่ได้ สมัยเราเป็นเด็กๆพ่อแม่ยังเลี้ยงเราได้ป้อนข้าวป้อนน้ำให้เราได้แต่เรื่องของการปฏิบัตินี้ไม่ว่าเราจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่พ่อแม่ก็ทำแทนเราไม่ได้พ่อแพ้่ทำบุญให้เราไม่ได้พ่อแม่รักษาศีลให้เราไม่ได้พ่อแม่นั่งสมาธิให้กับเราไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันพระพุพพทธพระธรรมพระสงฆ์ ก็ปฏิบัติให้กับเราไม่ได้อันนี้เหนือวิสัยของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะทาได้วิสัยของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่การเผยแผ่สั่งสอนวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเท่านั้นแต่เมื่อมาถึงการปฏิบัติอันนี้ไม่มีใครจะปฏิบัติให้กับเราได้นอกจากตัวของเราเอง ถ้าเราไม่มีความเพียรความพยายามเราก็จะไม่สามารถมีตนเป็นที่พึ่งของตนได้ถ้าเรามีความเกียจคร้านไม่ขยันไม่ปฏิบัตินมรรคผลนิพพานก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาเราจึงต้องมีความเพียรเพียรศึกษาแล้วเราก็ต้องมาเพียรปฏิบัติกัน แบบที่พระพุทธเจ้าและพระ อ, อริยสงสาวกท่านได้เพียรปฏิบัติกันพระพุทธเจ้าท่านก็สละราชสมบัติแล้วก็ออกไปบปําเพ็ญเพียรไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไปอยู่แบบมากน้อยสันโดษอยู่ปีกวิเวกไม่คลุกคลีกับใครไม่จับกลุ่มไม่คุยกัน ทรงปีกวิเวกอยู่ตามลําพังเพื่อรักษาศีลให้บริสุทธิ์เพื่อเจริญสติเพื่อทําใจให้สงบเป็นสมาธิแล้วก็พิจารณาธรรมต่างๆสภาวะรมต่างๆจนเห็นด้วยสัมมาทิฏฐิเห็นด้วยปัญญาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ทรงปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ ไม่ยึดไม่ติดไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรพอไม่มีความยึดติดไม่มีอยากได้ไม่มีอะไรก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเด็กต่อไปเพราะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นมันไม่ได้เป็นความสุขเลยไม่เหมือนกับพวกเราตอนนี้ที่มองเห็นอะไรเป็นความสุขไปเสียหมดเห็นลาบยศสรรเสริญว่าเป็นความสุขกัน อยากได้กันอยากมีกันอยากเป็นกันเห็นรูปเสียงกลิ่นรสผลพระชนิดต่างๆก็เห็นว่าเป็นความสุขกันอยากได้อยากมีกันจนถึงกับต้องแย่งกันฆ่ากันฟันกันทั้งๆที่กำลังแย่งหาความทุกข์กันแย่งแต่ความหลงความมืดบอดกลับไปคิดว่าเป็นความสุขกันได้มาแล้วก็ต้องมาทุกข์กับสิ่งที่ได้ ได้ทุกในขณะที่กำลังต้องการหากำลังแสวงหาก็ทุกแล้วพอได้มาก็ต้องทุกกับการดูแลรักษาแล้วพอเสียไปก็ต้องทุกขกับการสูญเสียเป็นการหาความทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวเพราะคิดว่าเป็นความสุขกันเพราะขาดปัญญาขาดสัมมาทิฏฐิไม่พิจารณามองไม่เห็นว่าสภาพ สภาวะธรรมทั้งปวงคือราบยศสรเสริรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเพราะเขาเป็นอนิจจรเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่ถาวรเขาเป็นอนัตตาเขาไม่ได้เป็นของเราเขาไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราวันดีคืนดีเขาอยากจะไปจากเราเขาก็ไป วันดีเกินดีเขาอยากจะเปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนไปเราไม่สามารถสั่งให้เขาไม่เปลี่ยนเราไม่สามารถสั่งให้เขาอยู่กับเราไปได้ตลอดเราจึงเรียกว่าเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังเมื่อเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังมันก็เป็นทุกขังขึ้นมาถ้าเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ เราก็จะไม่อยากได้มันมีใครอยากได้ความทุกข์บ้างไม่มีใครอยากได้แต่ทำไมถึงทุกข์กันนักทุกข์กันหนาก็เพราะคิดว่าสิ่งที่ได้นั้นเป็นความสุขนั่นเองพอมองไม่เห็นอนิจจังมองไม่เห็นอนัตตากันเห็นอะไรนี่จะเห็นว่าเป็นนิจจังเป็นของถาวรมองอะไรก็เห็นว่าได้มาแล้วจะเป็นของเราเราจะสามารถเก็บรักษาไว้ ให้มันให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลาอแต่พอได้มาแล้วถึงจะรู้ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นได้มาไม่นานมันก็เริ่มเปลี่ยนไปอมันเริ่มเสื่อมไปเริ่มเสียเริ่มใช้ไม่ได้อมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแ ต, แต่ก็ไม่เข็ดก็ไปหาอันใหม่มาทดแทนเอก็ต้องหาอยู่เรื่อยๆ พอเวลาหาไม่ได้ก็ทุกข์อีกแล้วพอเวลาตายไปก็อยากจะกลับมาหาอีกอก็กลับมาเกิดอีกกลับมามีร่างกายอีกกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกนี่เป็นเพราะว่าเราไม่ได้เพียรสร้างปัญญากันไม่ได้เพียรสร้างสมาธิกันไม่ได้เพียรสร้างสติกันไม่ได้เพียรสร้างศีลกันไม่ได้เพียร ปีกวิเวกกันผู้ที่จ ะ, จะเจริญศีน ส, สมาธิปัญญานี้อย่างได้ผลนี้จำเป็นจะต้องไปปีกวิเวกอยู่คนเดียวถ้าอยู่กันหลายคนนี้มันจะมารบกวนใจกันใจจะไม่นิ่งใจจะไม่สว่างใจจะไม่ใสใจจะไม่สามารถมองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ ใจก็เป็นเหมือนกับแว่นตาแว่นตาถ้ามันมัวนี่เวลามองภาพต่างๆจะมองเห็นไม่ชัดอาจจะเห็นแมวเป็นสุนัขไปก็ได้เห็นวัวเป็นควายไปก็ได้เห็นไก่เป็นนกก็ได้เพราะกระจกมันมัวมองไม่เห็นความจริงจันดาใจที่ไม่มีความสงบไม่มีความนิ่งไม่มีความใสก็จะเป็นใจที่มัว ใจที่มัวเมานั่นเองใจที่รุ่มหลงใจที่มองเห็นกับตาละปัดเห็นตรงกันข้ามกับความจริงเห็นสิ่งที่เป็นอนิจจังว่าเป็นนิจจังหรือเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราเราก็เลยวิ่งเข้าหาทันทีแย่งกัน แย่งเอาความทุกข์กันเพราะไปเห็นว่ามันเป็นความสุขกันเราได้มาแล้วก็ต้องมาทุกข์กับสิ่งที่ได้ได้แฟนมาแล้วก็ต้องมาทุกข์กับแฟนได้ลูกมาแล้วก็ต้องทุกข์กับลูกได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมาก็ต้องทุกข์กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอันนี้เป็นเพราะใจ ถูกความหลงความมัวเมาครอบงำนั่นเองจึงต้องทำใจให้สงบถึงจะสามารถาทำลายาความมัวเมาที่ครอบงำจิตใจได้พอใจใจสงบใจก็สว่างสวัยพอเห็นอะไรก็จะเห็นตามความเป็นจริง เ, เห็นเห็นอนิจจังก็ว่าเป็นอนิจจังแห่งสิ่งที่เป็นอนิจจังว่าไม่เที่ยงก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ก็จะว่าเป็นทุกข์เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราก็เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นของเราเมื่อเห็นว่ามันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นของเรามันไม่เที่ยงก็ไม่รู้จะเอามันทำไมถ้าเราเห็นงูพิษนี่เราจะเอาไหมเห็นงูเผานี่จะเอาไหมแต่ถ้าตามัวอาจจะเห็นว่าเป็นปลาไหลนี่ก็อยากจะเอากัน เพราะปลาหลายนี้เอามาต้มเอามาแกงได้ปลาไหลมันไม่กัดเราก็กล้าจับมันนี้ไปจับงูพิษเข้าสิเพราะตาไม่ดีตามัวตาคิดว่าเป็นคิดคิดว่าเป็นปลาไหลเพราะจับเข้าไปมันกลายเป็นงูเองูพิษเนี่ยอย่างที่เขาพูดว่างูงูปลาปลาเนี่ยรู้แบบงูงูปลาปลาก็คือ รู้แบบไม่ชัดเจนไปเห็นงูว่าเป็นปลาเข้าก็เลยไปจับจับงูก็เลยเดนถูกงูกัดตาย<ม>เพราะคิดว่าเป็นปลาไหล<ม>อันนี้ก็คือลักษณะของความทุกข์ต่างๆที่พวกเรามีอยู่กันทุกวันนี้ว่าเราไปมองเห็นว่าราบยศสรรเสริญ มองเห็นว่าลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆบุคคลต่างๆสิ่งของต่างๆนี้เป็นสุขนั่นเองแต่พอได้มาแล้วก็ต้องมาทุกข์กับมันต้องมากังวลกับมันต้องมาห่วงใยแล้วก็ต้องมาเสียใจเวลาที่มันเปลี่ยนไปหรือเวลาที่มันเสียไปหรือมันจากเราไปแต่เราก็ไม่เข็ด พอเสียไปเราก็ไปหาตัวใหม่มาทดแทนเอาสิ่งใหม่มาทดแทนแล้วก็มาทุกข์กับมันต่อไปอีกเพราะว่าใจของพวกเรานั้นขาดความสุขในตัวของเราถ้าใจของเรามีความสุขในตัวของเราแล้วเห็นสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าเป็นความสุขนั้นเป็นความทุกข์เราก็จะไม่เอาสิ่งต่างๆได้ แต่ตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สงสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ว่ามันเป็นความทุกข์แต่เราไม่มีความสุขในตัวเราเราก็เลยเอามันมาเพราะอย่างน้อยมันก็เวลาได้มาใหม่ๆมันให้ความสุขกับเราแล้วความทุกข์ที่มันจะตามมาที่หลังค่อยว่ากัน ตอนต้นนี้ขอให้สุขก่อนอยากดื่มอะไรก็ขอให้ดื่มก่อนพอได้ดื่มแล้วก็มีความสุขอยากดูอะไรพอได้ดูแล้วก็มีความสุขอยากฟังอะไรพอได้ฟังแล้วก็ได้มีความสุขแต่ความทุกข์ที่จะตามมานี้ค่อยว่ากันทีหลังมันจะตามมาอย่างไร ก็ตามมาเวลาที่ความสุขที่เราได้จากการดูจากการฟังจากการดื่มมันหมดไปนั่นเองเพอความสุขที่เราได้มาหมดไปเราก็อยากจะได้ความสุขใหม่เราก็ต้องไปดิ้นรนหาใหม่อันนี้ก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งแล้วถ้าเราหาไม่ได้ก็ยิ่งทำให้เราทุกข์ใหญ่อันนี้เป็นความทุกข์ที่จะตามมาที่เรามองไม่เห็นกัน แต่ถ้าเราไม่เอามันเสียแต่ต้นถ้าเรามีความสุขอยู่ในตัวของเราแล้วเราก็อยู่กับความสุขที่เรามีอยู่ก็ได้ไม่ต้องไปหาความสุขมาเพิ่มเพราะความสุขที่เราเอามาเพิ่มมันก็ไม่ได้เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เรามีอยู่ในตัวเราดังนั้นเราจึงต้องมาทำใจให้สงบก่อนทำใจให้สงบแล้วจะได้ประโยชน์สองอย่างหนึ่งจะได้ความสุขในตัวเราสอง ตาเราหูตาเราจะสว่างจะเห็นความจริงตามความเป็นจริงเห็นทุกว่าเป็นทุกเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราถ้าเรามีสมาธิแล้วเราก็จะสามารถที่จะหยุดความอยากต่างๆได้ถ้าเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของเรามันเป็นยาพิ เป็นยาพิษหรือเป็นงูพิษเนี่ยเราจะไม่กล้าไปแตะไปต้องมันเลยจะไม่อยากได้เลยซู้อยู่กับความสุขที่ได้จากความสงบนี้ดีกว่านี่ละคือสิ่งที่เราต้องสร้างกันขึ้นมาก่อนถึงจะเชา้าถึงจะสามารถใช้ปัญญาที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้กับพวกเรามาใช้เพื่อหยุดความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของการสร้างความทุกข์ใจต่างๆ ที่เป็นต้นเหตุของการพาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ที่ความอยากนี้ความอยากนี้จะหมดไปได้ด้วยอำนาจของสมาธิและปัญญาสมาธินี้เราต้องสร้างกันขึ้นมาเองพระพุทธเจ้าสร้างให้เราไม่ได้แต่ปัญญานี้พวกเราโชคดีเรามีพระพุทธเจ้าเป็นคนมาสอนมาบอกเราให้เรามองทุกอย่างว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา เราจะเห็นทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกไม่ใช่ของเราได้ก็ต่อเมื่อเราทำใจของเราให้สะอาดทำใจให้สงบให้สดให้ใสเหมือนกับน้ำใสน้ำใสเราก็จะเห็นตัวปลาแต่ถ้าน้ำมันขุน่นเราจะมองไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่ในน้ำหรือแว่นตาของเรามัวเราก็จะมองเห็นไม่ชัดก็จะมองเห็นกับตาละปัด เห็นตรงกัน uhm ข้ามกับความเป็นจริงเห็นแมวเป็นสุนัขเห็นไก่เป็นนกเป็นต้นเราจึงต้องมาทำใจของเราให้สงบเพื่อใจของเราจะได้ใสจะได้เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วนำมาสั่งมาสอนมาบอกพวกเราถ้าพวกเราไม่เพียรสร้างสมาธิกันขึ้นมา เราจะไม่มีวันที่จะเอาความรู้คือปัญญาของพระพุทธเจ้านี้มาใช้หยุดความอยากต่างๆได้มาใช้ดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆมาใช้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยดงนั้นความเพียรของเราจึงต้องทุ่มไปที่การสร้างสติเป็นเบื้องต้นเพราะสตินี้จะเป็นเหตุที่จะทําให้ใจสงบใจเป็นสมาธิได้ ถ้าใจไม่มีสติก็จะไม่มีวันที่จะทำให้ใจสงบได้เหมือนรถที่กำลังวิ่งอยู่ถ้าไม่มีเบรกก็จะไม่สามารถหยุดรถได้รถมันก็จะวิ่งของมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดแรงของมันเองแต่ใจของเรานี้มันไม่หยุดของมันเองไม่มีวันหยุดของมันเองมันจะไม่หมดแรง ถ้าหมดแรงมันก็หมดเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็ทามันก็ออกแรงใหม่จนเวลามันเหนื่อยมากๆมันก็มันก็หลับไปหยุดพักชั่วคราวพอตื่นขึ้นมามันก็มีแรงมาคิดต่อคิดไปเรื่อยๆถ้าไม่หยุดความคิดนี้ใจจะไม่สงบใจจะไม่นิ่งใจจะไม่ใสใจจะไม่มีความสุขนี่คือสิ่งที่เราเป้าหมายแรกที่เราต้อง พุ่งเป้าไปก็คือการสร้างความสงบสร้างความสุขให้เกิดขึ้นภายในใจสร้างความใสสว่างให้แก่ใจเพื่อใจจะได้มองเห็นความเป็นจริงของสภาวธรรมทั้งหลายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนตัตตานี่แหละคือความเพียรหัวใจของความเพียรอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่การไปปรีกวิเวอยู่ที่การออกบวช หรือไปอยู่ปีกวิเวทอยู่แบบนักบวชแล้วก็รักษาศีลของนักบวชศีลห้านี้ไม่พอต้องเป็นศีลแปดขึ้นไปเพราะศีลห้านี้มันยังมีช่องโหว่ให้กิเลสต้นหาดึงใจให้ออกไปทำกิจกรรมที่ทำให้ใจไม่สงบทำให้ใจวุ่นวายทำให้ใจมัวมัวหมองได้ คือกิจกรรมทางการารมณ์นั่นเองทางเพศทางตาหูจมกูกลิ้นกายเราต้องหยุดกิจกรรมทางตาหูจมกูกลิ้นกายแล้วถึงจะสามารถมาควบคุมใจให้นิ่งให้สงบเพื่อให้ใจมีความสุขและให้มีความใสสว่างปรากฏขึ้นมาภายในใจเพื่อจะได้เห็นความเป็นจริงของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกตามที่พระพุทธเจ้าทรงได ได้รู้ได้เห็นตอนนี้พระพุทธเจ้าสอนเราว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เราดูกันยังไงมันก็ยังเป็นสุขขังเป็นนิจจังสุขขังอัตตาอยู่นั่นเห็นเงินก็ยังเห็นว่ามันเป็นความสุขอยู่เห็นแฟนก็ยังเห็นว่าเป็นความสุขอยู่เห็นภาพยนตร์เห็นอะไรเห็นแหวนเพชรเห็นกระเป๋าเห็นรองเท้าเห็นเสื้อผ้าเห็นรถยนต์เห็นมือถือ เห็นอะไรต่างๆนี่เห็นว่าเป็นเป็นความสุขทั้งนั้นอยากได้ทั้งนั้นมองไม่เห็นว่ามันเป็นความทุกข์เลยเราก็เลยต้องไปหามันแล้วเราก็ต้องไปหามันอยู่ได้เรื่อยเพราะมันไม่เที่ยงนั่นเองพอได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดสภาพไปหมดรุ่นไปตกรุ่นไปซื้อรถมาได้ไม่กี่ปีก็มีรุ่นใหม่ออกมาลอ่อตาลอ่อใจ ซื้อเธอศัพท์รุ่นใหม่มาไม่กี่ปีก็มีรุ่นใหม่ออกมาล่อตาล่อใจอีกมันก็ต้องซื้ออยู่เรื่อยๆหาอยู่เรื่อยๆแล้วพอหาไม่ได้ก็ทุกข์กันอีกแล้วพอตายไปก็กลับมาหากันใหม่ ก, กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอีกเพราะว่าเรามองไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์แล้วเรามองไม่เห็นว่าแล้วเราไม่มีความสุขในตัวของเรานั่นเองเราก็เลยต้อง เอาความสุขที่ได้จากของเหล่านี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นความทุกข์ตามมาทีหลังอย่างน้อยตอนต้นเวลาได้มันมานี่มันรู้สึกดีใจดีอกดีใจมีความสุขกันแต่เวลาที่มันจากกันนี่มันทุกข์กันนี่มองมองไม่เห็นกันไม่คิดกันเวลาแต่งงานกันใหม่ๆนี่เลี้ยงกันฉล้องกันอย่างเต็มที่เลยเวลาหย่ากันนี่ไม่มีเลี้ยงกันไม่มีฉลองกัน มีแต่น้ำตาตกในกันมีแต่ความโกรธความเกลียดกันอันนี้เป็นความทุกข์ที่จะตามมากับทุกสิ่งทุกอย่างแต่เรามองไม่เห็นเพราะใจเราไม่สงบใจเราไม่ใสแล้วใจเราไม่มีความสุขเลยต้านความความสุขของที่ถึงต้านความสุขบอมนี่ไม่ได้ความสุขชั่วคราวไม่ได้ พอเห็นอะไรก็เห็นว่ามันเป็นสุขก็อยากได้เลยก็ติดกับการหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้หามันไปเรื่อยๆหาันี้แล้วพออันนี้หมดก็หาใหม่พออันนั้นหมดก็หาใหม่หาไปเรื่อยๆหาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้จากความสงบของใจนี้มันจะเป็นความสุขที่พอเป็นความสุขที่ไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไร นี่แหละความสุขที่เราต้องการต้องเป็นความสุขที่พอที่ทำให้เราอิ่มไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องเป็นอะไรไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอันนี้เราต้องเพียรพยายามสร้างกันขึ้นมาให้ได้ด้วยการไปปลีกวิเว ก, กันไปอยู่กันตามลำพังแล้วก็รักษาศีลของนักบวชกันรักษาศีลแปดแล้วก็หมัน่นเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับ ควบคุมความคิดให้ได้หยุดความคิดต่างๆที่ไม่จำเป็นให้ได้คิดในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นแต่สิ่งไหนไม่จำเป็นอย่าไปคิดแล้วก็พยายามหยุดมันด้วยการนั่งเฉยๆนั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกก็ได้บริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้แล้วพอจิตมันสงบมันก็จะเกิดความสุขเกิดความอิ่มใจขึ้นมาแล้วก็เกิดความใสสว่างของใจ พอพระพุทธเจ้าบอกว่าอันนี้เป็นทุกข์ก็จะเห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทรงบอกว่าอันนี้ไม่เที่ยงก็ทรงเห็นว่ามันไม่เที่ยงก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงส่งบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราก็จะเห็นอย่างนั้นเห็นทุกอย่างเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นเมื่อเราเห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นเราก็ตัดทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดเนี่ย พระพุทธเจ้าสัตดัดได้เราก็ตัดได้พระพุทธเจ้าบรรลุมรรคผลนิพพานได้เราก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เหมือนกันเพราะคําคสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคําสอนที่พระเจ้าใช้สอนตัวเองมาก่อนถ้าเป็นยาก็เป็นยาที่พระพุทธเจ้าท่งทดลองรับประทานมาก่อนนับประทานจนนักษาโรคภัยต่างๆให้หายหมดไปจากร่างกายได้ก็เอายานี่แหละมาให้พวกเรารับประทานกัน ถ้าพวกเรารับประทานก็โกครคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายของเราก็จะหายไปหมดเช่นเดียวกันแต่ยาที่พุทธเจ้าทรงให้เรามานี้มันเป็นยารักษาโรคใจก็คือความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจพอพุทธเจ้าใช้ธรรมะที่ทรงปฏิบัตินี้มารักษาความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้แล้วพระองค์ก็ทรงเอาธรรมะเหล่านี้มาสั่งสอนพวกเรา สงสอนให้พวกเราสละความสุขทางตาหูจมูกมืนกา ย, ส, ายสละลาภยศสรรเสริญเพื่อที่เราจะได้มีเวลาไปปลีกวิเวกไปเจริญสติไปนั่งสมาธิแล้วก็พอเรามีสมาธิมีใจที่ใสเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆตามที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเราก็จะมีปัญญาเห็นความจริงเห็นว่าสิ่งที่ไม่เที่ยง ไม่เที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราของเราว่าไม่ใช่ตัวเราของเราเมื่อเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราก็จะไม่มีความอยากได้อะไรเมื่อไม่มีความอยากได้อะไรก็จะไม่มีการกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเราก็จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายเราก็จะอยู่อย่างมีความสุข อยู่กับความสงบไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเพราะใจของเราไม่มีวันสิ้นสุดเหมือนกับร่างกายร่างกายนี้ไม่มีวันสิ้นสุดแต่ใจเราไม่สิ้นสุดไปกับร่างกายใจเราก็อยู่ต่อไปถ้าใจเรามีความสุขมีความสงบมันก็จะสุขมันก็จะสงบต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเช่นเดียวกันความสุขความสงบที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี้พระพุทธเจ้าให้ชื่อวันลิปานใจที่มีความสุขความสงบ นี้เรียกว่านิพพานใจที่ไม่มีความอยากต่างๆที่มาทำลายความสุขความสงบนี้เรียกว่านิพพานไม่ใช่เป็นสถานที่เป็นใจของเราที่กำลังทุกข์กำลังวุ่นวายอยู่ในขณะนี้เป็นใจที่กำลังมีความอยากต่างๆอยู่ในขณะนี้เราสามารถทำลายความทุกข์ความอยากเหล่านี้ได้ด้วยการเจริญสีสมาธิและปัญญานี่เอง จึงขอให้พวกเรานำเอาความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังกันจากการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไปปฏิบัติกันไปทาความเพียรกันถ้าเราไม่เพียรเราไม่ปฏิบัติเราก็จะไม่ได้ผลแต่ถ้าเราเพียรเราปฏิบัติเราก็จะได้ผลอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไวเพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พรต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะของดการถามตอบ ป, ปัญหาดังนั้นถ้าใครอยากจะถามถามได้ในช่วงนี้จนกว่าจะถึงช่วงปิดประชุม ตอนนี้ถ้ายังไม่มีคําถามก็จะให้พิธีกรนําเอาคําถามจากทางบ้านมาถามก่อนคําถามจากทางบ้านจากคุณนิดนีข้อที่หนึ่งคนทํางานเอาเวลาทํางานมาทําบุญใส่บาทเช้าแล้วเข้างานสายถือว่าขโมยเวลาบริษัทและเอาเปรียบเพื่อร่วมงานแบบนี้จะได้บุญเต็มไหมคะก็ไม่เต็มแหละเพราะเหมือนกับไปขโมยเงินของคนอื่นมาใส่บาท ก็ต้องตื่นเช้าหน่อยสิทาไมจะไปเอาเวลาของบริษัทมาใส่บาททาไมเราก็เอาเวลาของเราเรานอนให้มันหัวค่ำหน่อยเราก็ย้ายตื่นแต่เช้าได้ตัดเวลาของเราไปเวลาที่เราใช้กับการบันเทิงดูละครหรือดูอะไรเราก็ตัดมันไปหรือนอนมากเกินไปก็ตัดเวลานอนลงไป เราก็จะมีเวลาที่จะตื่นเช้าขึ้นมาเตรียมตัวใส่บาตโดยที่ทาโดยที่เราไม่ไปทางานสายได้หลวงพ่อคะแล้วถ้าเกิดไปสายแต่ก็ออกช้าทุตเวลาที่สายไปละคะเท่ากับเวลาที่เข้าสายอะคะ่ะอันนี้ก็ต้องคุยกับบริษารเขาเขาจะยินยอมหรือเปล่าคือเขาจ้างเราแปดชั่วโมงเราทำเจ็ดชั่วโมงครึ่งก็เท่ากับาเราขโมยเวลาครึ่งชั่วโมงไป แต่ถ้าเราทำแปไป9ไปสิชั่วโมงไปงั้นก็ไม่เป็นไม่น่าจะเป็นไรปะคะถ้าเราทำเกินก็ถือว่าเป็นการทำบุญไปข้อที่2เลี้ยงอาหารเพื่อนฝูงหรือญาติญาติแล้วเอามาเบิก บ, บริษัทเป็นงบเอนเตอร์เทนเมนต์ลูกค้าซึ่งบริษัทเสียหายไม่ได้ประโยชน์ดังกล่าวแบบนี้ถือว่าโกงเข้าข่ายผิดสินข้อสองไหมคะผิดนะด่นเอ ชอโกงเอาเงินของบริษัทไปเลี้ยงพวกเราไม่ได้ไปเลี้ยงลูกค้ามันก็ใช้เงินผิดจุดประสงค์ของบริษัทไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทข้อที่สไปกราบครูบาอาจารย์อยากได้วัตถุมงคลจากท่านทั้งทั้งที่เคยได้รับจากท่านแล้วแต่กลาบขอเพิ่มไปอีกเพื่อเผื่อญาติมาอีกก็ขออีกแบบนี้จัดว่าสะสมความโลภไหมคะ ก็เรียกว่าเป็นความโลภความจริงเวลาเราไปทำบุญนี่เราไม่ควรที่อยากจะไปได้อะไรเป็นของตอบแทนเราไปทำบุญเพื่อเราไปเอาบุญอย่างเดียวบุญที่เกิดจากการให้ของเรานี่แหละเป็นสิ่งที่ดีกว่าของที่หลวงพ่อหลวงตามอบให้กับเราถ้าเป็นวัตถุมงคลแต่สิ่งที่ท่านให้กับเราที่ดีกว่าบุญที่เราทำก็คือธรรมะ ถ้าเราไปแล้วเราควรที่จะรอฟังธรรมกันอย่ารอรับวัตถุมงคลกันวัตถุมงคลนี้ไม่ไม่เป็นมงคลใดอย่างใดเราไปตั้งชื่อมันเป็นวัตถุมงคลเองแต่มันไม่มีอยู่ในมงคลสามสิบแปดไปค้นคว้าดูว่าการรับพระเครื่องจากหลวงพ่อหลวงตาเป็นมงคลอย่างยิ่งนี้ไม่มีในมงคลสามสิบแปดมีแต่การฟังเทศฟังธรรมเป็นมงคลอย่างยิ่งะ ข้อที่สี่การที่เราไปกราบครูบาอาจารย์บ่อยๆได้ฟังธรรมบ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่โอกาสอำนวยแต่ก็ยังสะสมความโลภด้านวัตถุมงคลเกษาอาัตถิอย่างสม่ำเสมอไม่ลดละมีความรักในตัวเองเป็นที่สุดจนเห็นแก่ตัวจนคนรอบข้างรู้สึก และสัมผัสได้และเอื่มละอาแบบนี้ถือว่าการได้ไปกราบครูอาจารย์ถือเป็นวาสนาแต่ขาดปัญญาในการไปทำให้ได้ได้แต่การทำบุญอย่างเดียวถูกไหมคะก็เหมือนกับว่าเข้าไม่ถึงตัวพระพุทธเจ้าเม่เข้าไม่ถึงตัวพระอาจารย์พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถึงแม้เธอจะเกาะชายผ้าเหลืองเรา แต่เธอไม่สนใจใ ด, ดีกับทรรมที่เราสอนเธอก็เหมือนอยู่กับห่างห่างไกลจากเราเป็นโยชนและถึงแม้ว่าเธอจะอยู่ห่างไกลจากเราเป็นโยชอย่างพวกที่กำลังอยู่ที่บ้านติดตามทางเฟซบุ๊กนี้แต่มีความสนใจต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกนี้ก็ถือว่าเกาะชายข่าเหลืองของพระพุทธเจ้าได้อยู่ใกล้ครับใกล้พระพุทธเจ้า เพราะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตตถาคตก็คือพระพุทธเจ้าถ้าอยากจะเห็นพระพุทธเจ้าต้องเห็นธรรมธรรมที่จะเห็นก็มีสองระดับธรรมที่เห็นจากการได้ฟังธรรมนี่ก็เป็นการเห็นพระพุทธเจ้าในระดับต้นแต่ยังไม่ถึงใกล้ชิดถึงแต่เนื้อต้องตัวได้ถ้าอยากจะแต่เนื้อต้องตัวของพระพุทธเจ้าก็ต้องบรรลุธรรมเอาธรรมที่เราได้ฟังแล้วไปปฏิบัติ พอปฏิบัติแล้วปรากฏมีธรรมขึ้นมาในใจมีดวงตาเห็นธรรมอันนี้แหละจะได้เข้าถึงตัวพระพุทธเจ้าเลยคำถามจากคุณโสพิตาหนูปากแค้งง่ายเวลาถือสีแปดถ้าหนูทาสีพึ่งเพื่อป้องกันปากแค้งจะผิดหรือไม่คะถ้าเป็นการรักษาร่างกายก็ไม่ผิดถ้าเป็นความสวยความงามก็ผิด คำถามจากคุณ อ, อนององครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อที่จะสร้างพระเครื่องยันตะกุดน้ำมันคาถาต่างๆให้ลูกศิษย์ถือเป็นพระสงสายพระโพธิสัตว์ใช่หรือไม่คะเป็นพระอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่ใช่พระอริยะแน่ๆพระอริยะท่านไม่ทำสิ่งเหล่านี้ และการใช้วัตถุเพื่อน้อมนำสู่ธรรมขึ้นกับจริตและภูมิธรรมของแต่ละคนเข้าใจถูกหรือไม่คะมันไม่เห็นจะเป็นต้องโน้มน้าวอะไรก็พูดโน้มน้าวด้วยการพูดเนี่ยดีที่สุดเอาเงินไปโน้มน้าวทำไมเนี่ยถ้าประกาศว่าใครอยากจะได้เงินมาฟังธรรมที่นี่โอ้มาเป็นแสนเนี่ยและองคูบาอาจารย์ที่ทาแบบนี้คะ่ะ แตกต่างอย่างไรกับสายวัดป่าหรือสายหลวงปู่ม่นคะก็สายหลวงปู่ม่นท่านมีแต่ให้ทำอย่างเดียวท่านก็แสดงธรรมสั่งสอนธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีของล่อตาล่อใจไม่มีตะกุดไม่มียันไม่มีอะไรทั้งนั้นมีแต่ธรรมอย่างเดียวคำถามจากคุณเอลเดอร์เพอร์สัน คนชราขอทราบวิธีละสังขารด้วยธรรมะให้สำเร็จใน24ชั่วโมงครับอ๋ออย่ายี่บอย่าแต่ว่า24ชั่วโมงเลยภายในนาทีเดียวก็เสร็จได้ถ้าปองเสวางแ้าว่ายอมตายยอมแก่ยอมเจ็บมันก็บรรลุได้นะคำถามจากคุณสานิด การเจริญสติในชีวิตประจําวันมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติอย่างไรบ้างเพื่อจะนําไปปฏิบัติเนื่องจากเวลานั่งสมาธิแล้วจิตใจไม่สงบสักทีครับก็ลืมตาขึ้นมาก็บริกรรมพุทโธไปเลยอย่าให้มันไปคิดเรื่องอื่นให้มันคิดแต่คําว่าพุทโธพุทโธไปไม่ว่าเราจะไปล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ําอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหาร ทำอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็พุทโธพุทโธไปจะหยุดพุทโธก็ต่อเมื่อต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องจําเป็นเรื่องงานเรื่องการถ้าเราสามารถคุมความคิดได้ให้มันอยู่กับพุทโธอย่างเดียวได้เวลานั่งสมาธิก็จะมีสติมีกําลังที่จะหยุดความคิดหยุดใจให้สงบได้ คำถามจากคุณแมงบ่งสีฐานจริงๆแล้วโยมก็อยากทำสมาธิแต่เวลาทำจริงๆจิตไม่ค่อยนิ่งและยังเป็นอกุศลเป็นเพราะอะไรคะเพราะไม่มีสติก็กลุ้มความคิดไงไม่มีพุโทโธอาจทำพุโทโธบริกรรมพุโทโธไปเรื่อยๆ เ, เอาพุโทโธหลอ่อเลี้ยงจิตใจ คำถามจากคุณกรุณาถ้าลูกว่าแม่แล้วแม่ไม่โกรธลูกจะบาปไหมถ้าบาปมีวิธีไหนที่จะแก้กรรมให้ลูกได้คะก็อย่าไปดา่าใช่อย่าไปว่าเอาคุบปากใช่อย่าไปสั่งสอนพ่อแม่นอกจากท่านถามเราเราก็บอกได้อต่าอยู่ดีๆอย่าไปสั่งอย่าไปสอนว่าให้ทําอย่างนั้นให้ทําอย่างนี้ อย่าไปว่าท่านให้มีสติให้เราคิดว่าเรากําลังอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าอต่อหน้าพระอาหารหันต่อแม่ของเรานี้เป็นเหมือนพระอาหารหันต์ของพวกเราเราต้องให้ความเคารพเหมือนกับเราเคารพพระอาหารหันต์เคารพพระพุทธเจ้าคําำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเพิ่งจะเริ่มปฏิบัติธรรมพยายามจะนั่งสมาธิแต่ แต่ก็จะไม่ได้นานและไม่สงบคอยแต่จะคิดเรื่องอื่นพยายามจะท่องพุทธโธแต่ใจก็จะคอยไปนึกเรื่องอื่นๆโดยเฉพาะเรื่องที่ทำให้ทุกข์ใจมีวิธีทำอย่างไรบ้างคะก็ต้องฝืนใจต้องบริกรรมพุทโธไปมันจะคิดเรื่องอื่นก็ดึงกลับมาให้อยู่กับคำบริกรรมใหม่ๆก็จะเป็นเหมือนกับการชักกะเยะกันเขาดึงไปเราก็ต้องดึงกลับ ใหม่ๆแล้วก็จะแพ้เขาเพราะเขามีพวกมากกว่าเราเขามีกําลังมากกว่าเราความคิดมันจะมีมากกว่าคําบริกรรมแต่ถ้าเราพยายามบริกรรมไปเรื่อยต่อไปคําบริกรรมก็จะมีกาลังมากขึ้นไปแล้วต่อไปเราจะสามารถให้ใจบริกรรมเพียงอย่างเดียวได้โดยไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆไดไ้หมอไม่ถามแล้ววันนี้ วันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้เฟซเฟซบุ๊กตอนแสดงทำสามร้อยสามสิบสี่คนครับอตอนนี้มีอยู่สองร้อยสี่สิบสามคนครับ ส, ส่วนส่วนทาง youtube ตอนนี้มีอยู่สามคนนะอะมีคําถามเข้ามาไหมมีครับคําถามแรกจากเฟซเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับจากคุณสุวัฒนา ขอกราบเรียนถามว่าถ้าไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมภาวนาที่วัดแต่อยากฝึกภาวนาบ้างจะสามารถทำเองที่บ้านหรือในชีวิตประจำวันได้ไหมคะถ้าได้ควรเริ่มทำอย่างไรคะได้ก็ขั้นต้นเราก็ต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนเราต้องคอยควบคุมความคิดกาจัดความคิดต่างๆให้คิดอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไป หรือถ้าไม่บริการพุโทโธก็ให้จดจอ่อเฝ้ดูการเคลื่อนไหวการกระทาต่างๆของร่างกายให้จดจอ่อว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่กำลังรับประทานก็ให้อยู่กับการรับประทานกำลังอ่านหนังสือกำลังทำอะไรก็ให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่อย่างนี้เราก็จะดึงใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ แล้วเราก็เวลาว่างเราก็นั่งหาหามุมสงบเข้าไปในห้องที่ไม่มีใครมารบกวนเพราะถ้ามีคนเดินไปเดินมามันจะรบกวนถ้าปิดประตูห้องได้ปิดกระจกปิดหน้าต่างได้ไม่มีเสียงเข้ามาได้ยิ่งจะดีสมัยนี้เรามีเครื่องปรับอากาศก็เปิดได้แต่เราไม่ได้เปิดเพื่อความสุขแต่เปิดเพื่อสร้างบรรยากาศที่สงบให้คิดว่าความเย็นนี้เป็นเหมือนกับอยู่ต่างประเทศก็แล้วกัน ทางประเทศเขาก็มีอากาศเย็นเขาก็ไม่ต้องใช้เครื่องปรับระกาศเขาก็สามารถปิดหน้าต่างปิดอะไรเพื่อป้องกันเสียงต่างๆให้ไม่ให้เข้ามารบกวนการนั่งสมาธิของเราได้แล้วก็พยายามนั่งควบคุมความคิดให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือให้ดูจดจ่ออยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกไปอย่างใดอย่างหนึง่ง ถ้าเราไม่ไปคิดอะไรเดี๋ยวจิตก็จะสงบแล้วก็จะมีความสุขคำถามตอบคำถามต่อไปจากคุณแหวนนะครับขอถามไหว้เจ้าไหว้บนรนผชนด้วยอาหารบนรนผะชนท่านกินอาหารเราได้อย่างไรและเผากระดาษของใช้เช่นทองแท่งกระดาษมือถือไอโฟนกระดาษให้บันให้บรรผชนท่านได้รับจริงหรือกราบขอบคุณพระอาจารย์ครับอ่มันจะไปได้อะไรลรา กเผาไปมันก็กลายเป็นขี้เท่าเไปอาหารที่ไปตั้งไว้เดี๋ยวก็ามากินกันเองใครกินเราก็กินกันเองค น, คนตายไปแล้วกินของพวกนี้ไม่ได้ใช้กระดาษที่เผาไม่ได้อันนี้เป็นเพลงแต่เป็นการเล่นลิเกแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งความจริงนี้เขาทําไว้เพื่อสอนคนที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าให้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะ ตอนนี้พ่อแม่แก่เท่าก็เลี้ยงดูท่านเอาอาหารมาเลี้ยงท่านมีเงินก็ซื้อไอโฟนมาให้มีเงินซื้อรถเบนมาให้พ่อให้แม่ขับอันนี้เขาเป็นการสอนเขาจหรือเปล่าใ้พวกฉลาดหรือแกล้งแก้งโง่ก็ไม่รู้ทําเป็นไม่เข้าใจต้องรอให้พ่อแม่ตายก่อนแล้วค่อยซื้อไอโฟนกระดาษเผาส่งไปซื้อเบนซ์เผาส่งไปซื้อคอนโดเผาส่งไป มันจะไปได้อะไรมันก็เห็นอยู่แล้วมันเป็นกระดาษเผาไปก็กลายเป็นขี้เถ้าที่เขาสอนนี้ที่เขาทํานี้เพื่อเป็นการสอนเด็กเล็กน้อยเด็กๆที่กําลังเป็นเด็กอยู่นี่ว่าต่อไปเดี๋ยวมึงโตแล้วมึงมีเงินทองก็อย่าลืมพ่อแม่มึงนะซื้อรถให้พ่อแม่มึงใช้บ้างซื้อ i ไอโฟนมั่งพาไปกินตามพัตตาคารร้านอาหารต่างๆบ้าง อย่าเอาแต่เห็นแก่ตัวซื้อมาให้กับตัวเองใช้ตัวเองอย่างเดียวส่วนพ่อแม่นี่ไม่ลืมไม่นึกถึงบุญคุณของพ่อแม่เลย <Yeah. S 2> นี่คือความหมายที่แท้จริงของการไหว้ไหว้ผีไหว้เจ้านี้เป็นการสอนคนที่มีชีวิตอยู่ <Yeah. S 2> ให้รู้จักความกตัญญูกตวเวทีให้มีสัมมาคารวะต่อผู้มีพระคุณเช่นบิดามารดาป่ยาตายหญ่ yeah. คำถามต่อไปจากคุณจิรายุครับถ้าเราตั้งใจมุ่งมั่นจนบรรลุธรรมบิดามารดาเราจะได้ไหมครับและถ้าได้อาจจะมีอนิสงส์ใดบ้างครับก็อยู่ที่ว่าท่านอยากจะได้ของที่เราให้หรือเปล่าพอเราบรรลุธรรมเราก็มีธรรมใ ห, มให้ถ้าเราบรรลุโสดาบันเราก็มีธรรมระดับโสดาบันให้พ่อให้แม่ถ้าเราบรรลุระดับอหรหันต์เราก็มีธรรมระดับอรหันต์ให้พ่อให้แม่ แต่อยู่ที่พ่อแม่จะรับหรือไม่รับเนี่ยถ้าพ่อแม่เขาไม่รับเขาก็ไม่ได้ถ้าเขารับเขาก็ได้เช่นแม่ของพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าตัดสรตวเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ไปทรงโปรดสอนแม่ให้เป็นพระสุดานบันขึ้นมาพ่อของพระพุทธเจ้าเจ็ดวันก่อนตายก็สอนให้เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาลูกก็จับมาบวชเป็นสามเณรแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมา มันอยู่ที่ว่าผู้รับจะยินดีรับหรือไม่ถ้าผู้ให้มีสิ่งที่จะให้ถ้าให้แล้วเขาไม่ยินดีรับเขาก็ไม่ได้คำถามต่อไปจากคุณบีครับระหว่างฌานกับญาณอันไหนสำคัญกว่ากันคะแล้วหากมีแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งสามารถทำให้ถึงพรานิพพานได้เหมือนกันหรือไม่คะไม่ได้หล่ะต้องมีทั้งสองอย่างฌานก็คือความสงบความสุขของใจ ยานก็คือความเห็นตายลักเนี่ยเห็นว่าทุกสิ่งทางอย่างเป็นทุกข์มันต้องเห็นต้องต้องมีทั้งสองอย่างถ้าเห็นว่าทุกถ้าถ้าไม่มีไม่มีญาณไม่มีฌานคือความสงบไม่มีความสุขถึงแม้จะเห็นว่าสิง่งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์ก็ยังเห็นว่าเป็นสุขอยู่ก็ยังทิ้งไม่ได้ย mm ัยงตัดไม่ได้เนี่ยต้องมีความสุขที่เกิดจากฌานแล้วก็จะมีตาตาที่ใสสว่างที่จะเห็น ความเป็นจริงของทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ถ้าไม่มีฌานก็จะมองเห็นทุกอย่างเป็นอนเป็นนิจจังสุขขังอัตตาก็จะยึดจะติดจะอยากได้ก็จะตัดไม่ได้ก็จะบรรลุไม่ได้ยั่ต้องมีทั้งสองอย่างควบคู่กันมีทั้งฌานและมีทั้งญาณแล้วถึงจะบรรลุได้คำ ถ, ถามต่อไปจากคุณแหวนนะครับถ้ามีญาติบอกว่า ไปทำบุญที่วัดนี้เอาบุญมาฝากผมก็บอกว่าอนุโมทนาบุญหรือสาธุหรือพูดว่าดีดีดีผมจะได้บุญจากการพูดใช่ไหมครับแต่ไม่ได้บุญที่ญาติทำทำไว้ที่วัดนั้นๆใช่ไหมครับใช่บุญที่ญาติก็ทำเป็นของเขาบุญที่เราอนุโมทนาก็ทำให้เรามีความสุขไปกับเขาอันนี้ก็เป็นบุญดีกว่า ไปทำทำไมเสียเวลาเสียเงินเสียทอง อ, อย่างนี้เราก็จะไม่ได้ความรู้สึกที่ดีเกิดขึ้นมาในเมื่อเขาทำดีแล้วก็ยินดีไปกับเขาสิเราก็จะได้มีความสุขไปกับเขาคำถามต่อไปจากคุณด็อกเตอร์พิสิทธ์ครับ <c oughs> การใช้สติในการยับยั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในความรู้สึก ในใจจากการรับสิ่งกระตุ้นที่เข้ามากระทบเราทางทวารต่างๆซึ่งบางครั้งก็ทาได้บ้างไม่ได้บ้างช้าบ้างเร็วบ้างนั้นแตกต่างจากสิ่งที่ผ้าจารสอนในเรื่องการใช้สมาธิและปัญญาพิจารณาอย่างไรครับเพระการใช้สติมันก็หยุดได้ชั่วคราวถ้าเป็นการรักษาก็เป็นเหมือนการเอายาหม่องไปทาแผล ถ้าจะให้มันหายก็ต้องเอาทิ้งเจอใส่เข้าไปแล้วก็เอายาเบตาดีนใสเข้าไปมันก็จะหายขาดถ้าเอายาหม่องไปมันก็อาจจะบรรเทาความเจ็บปวดที่เกิดจากแผลนั้นชั่วคราวเดี๋ยวพอฤทธิ์ของยาหม่องหมดมันก็จะเจ็บปวดขึ้นมาอีกดังนั้นถ้าเราใช้สติเราก็จะยับยั้งได้ชั่วคราวพอเราจะโกรธใครเราพุโทโธพุโทโธไปมันก็หายโกรธ เดี๋ยวพอเราเผลอไปคิดถึงเรื่องที่เขาทำให้เราโกรธก็โกรธขึ้นมาได้แต่ถ้าเรามีสมาธิมีปัญญาเราก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าความโกรธนี้เป็นทุกข์ไม่ดีทำลายจิตใจทำให้ใจเราทุกข์ก็หยุดความโกรธนั้นได้หรือให้รู้ว่าความโกรธของเราเกิดจากความอยากของเราเราอยากให้เขาทำอย่างนั้นทําอย่างนี้พอเขาไม่ทาตามที่เราอยากให้เขาทาเราก็โกรธเขาขึ้นมา ถ้าเราไม่อยากจะโกรธเขาเราก็ต้องปล่อยเขาเราอย่าไปอยากให้เขาทำหรือไม่ทำอะไรถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาทำหรือไม่ทำอะไรเขาทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเราก็จะไม่โกรธเขาอันนี้เป็นการแก้อย่างถาวรคำถามต่อไปจากคุณจาครับ ถาเพียนถามพระอาจารย์เจ้าคะเป็นข้อสงสัยว่าปฏิบัติถูกทางหรือไม่เจ้าคะหรือว่ากำลังหลงทางอยู่คือเวลาที่นั่งสมาธิเริ่มแรกจะพุโทโธบางทีก็เริ่มจากรู้ลมสักพักจะมีอาการว่างสติตื่นรู้สึกไม่มีร่างกายไม่มีแขนไม่มีขารู้สึกเพียงมีลมหายใจเท่านั้นแต่ไม่สามารถน้อมจิตให้พิจารณาโดยคิดเอาว่ากายเป็นกระดูกได้พยายามเท่าไหร่ก็ไม่ได้เจ้าคะ อยู่ว่างโล่งอย่างนั้นจนลืมตาเองแต่ไม่ได้นั่งแล้วเป็นแบบนี้ทุกครั้งเจ้าคะ่ะมันคืออะไรแล้วจะแก้ไขอย่างไรเจ้าคะ่ะ อ, อ๋อคือเวลาเรานั่งสมาธินี่เราต้องการให้ใจสงบให้ใจนิง่งเราไม่ต้องการพิจารณาเวลาใจสงบใจนิง่งมันก็พิจารณาไม่ได้เหมือนคนนอนหลับนี่เราจะไปให้เขาทำงานทำการไม่ได้การนอนหลับนี่มีหน้าที่อย่างหนึ่ง การไปทำงานนี้เป็นอีกหน้าที่หนึ่งต้องทำต่างวาระกันต่างเวลากันเวลานั่งสมาธินี้เป็นการเหมือนพักใจเหมือนการพักผ่อนหลับนอนของร่างกายตอนนั้นเอาไปทำงานไม่ได้เอาไปพิจารณาปัญญาไม่ได้เพราะเราไม่เราไม่ต้องการพิจารณาในตอนนั้นเราต้องการความสงบเราต้องการพักความคิดปรุงแต่งของจิต นั้นเวลาเรานั่งสมาธิเราต้องรู้ว่าเราไม่ได้นั่งเพื่อพิจารณาเรานั่งเพื่อให้ใจนิง่งให้ใจสงบให้ใจเป็นอุเบกขาให้ใจมีความสุขที่เกิดจากความสงบนั้นและให้ใจใสสว่างอันนี้คือเป้าหมายของการนั่งสมาธิไม่ต้องการให้พิจารณาเรื่องอัดเรื่องธรรมถ้าอยากจะพิจารณาเรื่องอัดเรื่องธรรมนี้ต้องรอให้ออกจากสมาธิก่อนแล้วค่อยไปพิจารณาเรื่องอัธรรมต่าง ออกจากสมาธิมาใจเราก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เอามาคิดในทางปัญญาแทนคิดในทางใจลักษ์แทนถ้าใจเราใสใจเรา ส, สว่างจากสมาธิเราก็จะเห็นใจลักษ์ตามความเป็นจริงถ้าเราใจไม่ใส่ไม่สว่างพิจารณาใจลักษ์ยังก็มองไม่เห็นมองยังก็ยังสุขอยู่นั่นมองยังไงก็ยังสวยอยู่นั่นยังหล่ออยู่นั่นเพราะมองไม่เป็น มองไม่มองไม่เห็นเพราะความหลงความมืดบอดมันไม่ยอมให้เรามองในส่วนที่มันเป็นทุกข์มองในส่วนที่มันไม่สวยไม่งามกันนั่นเองเท่านั้นเองมันก็เหมือนกับเวลาพักผ่อนนอนหลับเราไม่ไปทํางานใช่ไหมเวลานอนหลับเราก็นอนคลอกคลอกคลอกไปจนกว่าจะตื่นขึ้นมาถึงลุกขึ้นมาอาบน้ําอาบท่าแล้วก็ไปทํางานกันะ ปัญญาก็เป็นการทำงานของจิตสมาธิก็เป็นการพักผ่อนหลับนอนของจิตอย่าทำปนกันทำไม่ได้อย่าไปทำงานในขณะที่นอนอย่าไปพิจารณาในขณะที่นั่งสมาธิทาใจให้สงบใจสงบแล้วอย่าไปพิจารณาปล่อยให้มันสงบไปจนกว่ามันจะถอนออกมาจนกว่ามันจะอิ่มตัว เมื que, ่อมันอิ่มจากความสงบแล้วมันก็จะถอยออกมาแล้วมันก็จะเริ่มคิดปรุงแต่งพอคิดปรุงแต่งแล้วเราค่อยเอาความคิดปรุงแต่งนั้นมาคิดในทางตายรักต่อไปเช่นดูว่าร่างกายนี้มันเป็นทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงใช่ไหมทุกข์เพราะมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใช่ไหมทุกข์เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของเราเราไปอยากให้มันเป็นแต่มันไม่ยอมเป็นใช่ไหมเราอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ไม่ยอมทําตามความอยากของเรา เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของเรามองอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ปล่อยวางมันว่ า, เ, าเมื่ออยากให้มันแก่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันแก่มันเจ็บมันตายไปพอปล่อยได้ใจเราก็จะไม่ทุกข์กับมันคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณสิทธิโชคครับขอท่านพระอาจารย์แนะนำการตัดอารมณ์โทสะให้กระผมด้วยครับ ถ้าผมเผอมีอารมณ์ตลอดที่เจอสถานการณ์ที่ไม่ถูกใจมันพูบมาวูบไปตลอดครับฝึกทําใจให้เป็นสันโดษคือเยินดีตามมีตามเกิดอะไรก็ได้ใครพูดไงก็ได้พูดดีก็ไ ด, พ ด, ด, ได้พูดไม่ดีก็ได้ใครนั่งเหยียหน้า ง, งอใส่เราก็ได้ใครยิ้มให้เราก็ได้ใครชมเราก็ได้ใครด่าเราก็ได้ต้องหัดทําใจอย่างนั้น แต่จะทําใจอย่างนั้นได้จริงๆก็ต้องมานั่งสมาธิกันเพอเวลานั่งสมาธิใจสงบแล้วใจจะเป็นกลางใจจะเป็นอุเบกขายัางไงก็ได้คือไม่รักไม่ชังไม่ยินดียินร้ายกับอะไรทั้งนั้นดังนั้นต้องฝึกพยายามฝึกสติให้มากแล้วนั่งสมาธิให้บ่อยแล้วใจจะเป็นกลางจะเป็นอุเบกขาแล้วใจจะยินดีตามมีตามเกิดได้ใครชมก็ได้ใครด่าก็ได้ะ ใครให้เงินเราก็ได้ใครขโมยเงินเราไปก็ได้ถ้าเราห้ามเขาไม่ได้เราจะไปโวยวายไปร้องห่มร้องไห้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสู้ทำใจเราเฉยเฉยสบายสบายไปดีกว่าของนอกกายหาใหม่ได้หาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรตายไปก็เอาไปไม่ได้คิดอย่างนี้แล้วใจของเราก็จะไม่วุ่นวายไปกับการมาการไปของสิ่งต่างๆครับถามต่อไปจะคุณยุทธครับ ผมบริจาคเงินแสนบาทเพื่อสร้างศาลาแต่พระนำเงินไปใช้ส่วนตัวโดยซื้อสวนยางผมรู้สึกไม่พอใจแต่ไม่รู้จะทำยังไงผมจะได้บุญหรือไม่ครับเอาได้คนที่นับเงินไปเนี่ยจะได้บาปเพราะว่าผิดสัญญาหรือจะเรียกว่าเป็นการโกหกหลอกลวงหรือเป็นการช่อโกงก็ได้แต่เงินที่เราให้ไปนีเปน้เป็นบุญ พาเราเสียสละเรามีความยินดีเพราะฉะนั้นเราอย่าไปอยากเอาคืนเพราะถ้าเราอยากคืนเมื่อไหร่บุญนั้นมันจะหายไปดงั้นคิดซะว่ามันเป็นการาทำบุญแล้วก็เป็นการได้ปัญญาไปในตัวใจรู้ว่าต่อไปนี้เวลาเราทำบุญนี้เราจะต้องทำกับใครดีหรือจะทำก็ทำแบบที่เราอย่าไปสนใจว่าผู้ที่รับแล้วเขาจะเอาไปทำอะไร ถ้าเราไม่มั่นใจในผู้รับเราก็อย่าไปทํากับผู้นั้นก็แล้วกันเราก็ไปทํากับผู้ที่เรามีความมั่นใจเช่นอาจจะไปทํากับมูลนิธิต่ตางๆก็ได้สภากาชาติไทยก็ได้หรืออะไรก็ได้แต่ก็อย่างว่าล่ะที่ไหนมันก็ต้องมีมนุษย์แสนเลวปนอยู่ด้วยเสมอมันก็ <laughs> มันก็จะมีช่องทางให้มันยักยอกเงินที่บริจาคไปอยู่นั่นแหละ งั้นก็ตั้งทำทาใจแล้วว่ากรรมาการเครื่องวัดเครื่องเราก็ได้บุญของเราก็แล้วกันคำถามต่อไปจากคุณดอกแก้วครับนั่งภาวนาพุทโธพอหลับตาสมาธิเห็นแสงสีน้ำเงินแสงสว่างเหมือนนั่งอยู่ในบ้านทรงไทยโบราณหลังนี้บ่อยมากคะ่ะ ยังไม่สงบจริงถ้าสงบจริงมันต้องไม่เห็นอะไรฉะนั้นพยายามบริกรรมต่อไปภาวนาต่อไปอย่าไปสนใจกับภาพกับแสงที่ปรากฏให้เห็นคำ ถ, ถามต่อไปจะคุณจันทนนาครับการที่เรานั่งสมาธิแล้วมีแต่สงบจิตสงบแค่รู้อดีตตอนเด็กแต่ไม่เห็นภาพเป็นสมาธิแบบใดเจ้าคะ เป็นสมาธิแบบใดเลยก็เป็นสมาธิแบบไม่ใช่ไม่สงบไม่เป็นอัปปนาสมาธิบางทีก็เรียกว่าเป็นอุปจารสมาธิสมาธิที่จะไปเห็นเหตุการณ์ต่างๆนี้มักจะอยู่ในอุปจารสมาธิเช่นเห็นอดีตเห็นเห็นภพชาติต่างๆเห็นเทวดาเห็นพู้ผีปีศาจเห็นนรกเห็นสวรรค์นี้อยู่ในอุปจารสมาธิ ถ้าถ้าเป็นอัปปนาสมาธิจะเห็นแต่ความว่างจะเห็นแต่อุเบกขาจะเห็นแต่ตัวรู้ผู้รู้ซึ่งเป็นสมาธิที่สําคัญต่อการเจริญวิปัสสนาอุปจาระสมาธินี้จะไม่ทําให้มีอุเบกขาจะทำไม่ให้เห็นผู้รู้ตัวรู้จะทําให้ไม่มีจิตใจที่ผ่องใสที่จะสามารถมองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณไซครับถ้าถือสิงห้าขายไก่ทอดได้ไหมคะถ้าไก่ทอดถ้าเราไปซื้อไก่ที่ตายแล้วมาขายก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไปสั่งเขาก็จะเป็นบาปสั่งเขาฆ่าก็ดีฆ่าเองก็ดีก็เป็นบาปแต่ของที่เขาฆ่ามาแล้วนี่โดยที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไปซื้อมานี่มาขายมาทอดมาทาอะไรนี้ไม่บาปคำถามต่อไปจากคุณชายกรครับ เม <ME> ื่อจิตสงบลมหายใจละเอียดสังเกตความวัยของจิตได้จะต้องคงอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆหรือครับจะคงอยู่ได้นานไปทางไหนต่อครับก็ให้อยู่ดูลมต่อไปอย่าไปดูจิตให้เกาะติดอยู่กับลมไปแล้วเดี๋ย ว, ยวจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเองถ้าไปดูจิตจิตนั้นก็จะไม่รว ม, มคำถามต่อไปจากคุณแหวนครับอยากจะแบ่งบุญของผม ให้พระภูมิเจ้าที่เจ้าทางประจําบ้านที่ผมอยู่อาศัยควรทําอย่างไรครับก็อุทิศไปอุทิศไปภายในใจขอแบ่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําในวันนี้ให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วอไม่ว่าจะอยู่ที่ใดถ้าต้องการบุญส่วนนี้ก็ขอมารับบุญนี้ไปได้คําถามต่อไปจากคุณจันทร์ผานะครับ ความว่างในพระพุทธศาสนากับความว่างที่อยู่รอบๆตัวเราไม่มีอะไรว่างอยู่นั้นแตกต่างกันอย่างไรครับความว่างในพระพุทธศาสนาคือความว่างในใจเราว่างจากความโลภความโกรธความหลงว่างจากอารมณ์ต่างๆคาถามต่อไปจากคุณส้มครับหนูรู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงร่างกายไม่สวยหนูไม่อยากไปเที่ยว แต่ทำไมรู้สึกเหงาและอึดอัดไม่สบายใจเลยคะเพราะไม่มีความสุขในตัวเองใจยังหาความสุขอยู่เมื่อไม่มีสามารถไม่สามารถหาความสุขในตัวได้ไม่สามารถหาความสุขที่บ้านได้มันก็เลยรู้สึกเหงามันก็เลยต้องออกไปข้างนอกบ้านไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขแต่ถ้าเราทำใจให้สงบได้เราก็จะมีความสุขในตัวเรา เราก็จะอยู่บ้านเฉยๆได้โดยที่ไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกหงุดหงิดตำคารใจแต่อย่างใรคำถามต่อไปจากคุณอาทิตย์ครับเรียนถามพระอาจารย์ครับนั่งสมาธิประมาณสี่สิบถึงห้าสิบนาทีจิตสงบดีแต่น้ำตา ม, มันพุ่งออกมาก็าไม่เป็นไรก็ให้รู้ว่ามันพุ่งออกมาอะไรปรากฏขึ้นก็ไม่ต้องไปสนใจให้รู้ตามความเป็นจริงให้สนใจอยู่ที่ใจของเราเพียงเดียวว่าสงบหรือไม่สงบ วุนวายหรือไม่วุ่นวายสงสัยหรือไม่สงสัยสงสัยก็อย่าไปสงสัยอย่าไปอยากรู้ว่ามันมันเป็นอะไรมันมาจากไหนให้รู้ตามความเป็นจริงของมันแล้วก็ปล่อยวางให้รู้ว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับไปให้รู้ว่ามันเป็นไตรลักษณนนิจังทุกขังอนัตตาก็พอตอนนี้คำถามามีเท่านี้ครับมีเท่านี้มีใครอยากจะถามอีกหม